จำได้ไหมที่อาดมาได้อธิบายวันเช้านี้ลืมไปหมด <laughs> ได้อธิบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับ รูปกรรมฐานมาแล้วจำได้ไหมเห็นรูปกลับแล้วได้พิจารณารูปปรมาทิที่มีอยู่ในแต่ละรูปกลบับแล้วก็พูดถึงต้องพิจารณาภายในภายนอกด้วย เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพื่อจะพิจารณารูปภายในภายนอกแล้วในที่สุดเห็นว่าไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงไม่มีภูเขาไม่มีต้นไม้ไม่มีเทวดาไม่มีมมมมมพโพรมมีแต่รูปกลับ ที่เกิดดับอย่างรวดเร็วมองที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันไปหมดมีแค่รูปกลับอนุเลิกเลกที่เกิดดับอย่างรวดเร็วการรู้การเห็น คมที่เป็นความเป็นจริงหมายความว่าแม้แต่มีสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตสาตทุชนทั้งหลายเดี๋ยวนี้อาตมาได้ทราบว่ามียอคีผู้ปฏิบัติจำนวนทั้งหมด200กว่า หน้าตาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันความสูงเท่ากันไหมไม่เท่ากันนิสัยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเดี๋ยวคนนี้ทําแบบนี้คนนี้ทำคนคนนี้ทำแบบนั้นทําให้ความรู้สึกไม่เหมือนกัน บางทีก็ดีใจบางทีก็ไม่ดีใจบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบบางทีก็โกรธบางทีก็รักใช่ไหมทำไมเห็นบัญญะเห็นบุคคลเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเพราะฉะนั้นทำให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปเดี๋ยวก็มีความทุกข์ เดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความโกรธเดี๋ยวก็มีความรักเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบทำไมเพราะว่าไม่เห็นรูปปรรมะผู้ที่เข้าใจผู้ที่เห็นรู้ผู้ที่รู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงหมายความว่ามีสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตแม้แต่สิ่งที่จำนวน นับไม่ทวนไม่สามารถนับ Infinity จะว่าอย่างไงไม่มีสิ้นสุดไม่มีสิ้นสุดเม้แตสิ่งที่จำนวนไม่มีสิ้นสุดถ้าดูด้วยยานเห็นทั้งหมดเป็นอันเดียวแค่รูปกลับอนุเลเล็กที่เกิดดับ ผู้ที่สวยงามผู้ที่ไม่สวยงามผู้ที่นารักผู้ที่ไม่น่ารักผู้ที่มีผิวหนังผิวหนังจะว่าอย่างไร <c oughs> ข า, ด, าดําีไซน์ดีดีไซน์ไม่ดีทั้งหมดเหมือนกันหมดทั้งหมดกลายเป็นรูปกลบับอนุเ ล, ล็กๆตอนนั้นเห็นว่าทุกอย่าง เป็นอันนี้หละก็ไม่มีความสงสัยแล้วทั่วโลกโลกเทวดาโลกโพลมโลกมนุษย์โลกสัตว์ที่ไหนทั้งหมดเป็นอันเดียวไม่ไม่ไปให้ลืมคำ ต้องถามครูเอาิวเราอยูดโต้แย้งกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่เห็นทุกอย่างที่จำนวนไม่มีสิ้นสุดกลายเป็นแค่รูปกลับอนุเล็กๆที่เกิดดับอย่างรวดเร็วมองที่ไหนก็เห็นอันนี้ ดูที่นั้นก็เห็นอนันนี้ชัดเจนโออันนี้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอะไรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นะั้นถูกจริงๆเราเห็นแล้วเห็นพระพุทธเจ้านิดหน่อยตอนนั้นเข้าใจไหมยอยากจะเห็นพระ พ, พระส ม, มัสสัมพุทธเจ้าไหม ในปัจจุบันนี้เห็นได้ไหมบางคนบอกว่าเห็นได้เห็นได้โยดัมมันตะสสตติโซมันเปสตติผู้ใดที่เห็นธรรมผู้คนนั้นเห็นตัะาคุธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้หมายควไม่ได้หมายถึง ตัวร่างกายเมตเดโยมทั้งหลายเห็นพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังอยู่ถ้าแค่เห็นตัวร่างกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เห็นพระสัมมาสัมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระสัมมาสัพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสติในโลก ลองตรวสอูท่ามที่เป็นความเป็นจริงท่าม represent represent จะว่าอย่างไงท่ามเป็นตัวแทนไม่ใช่ใช่ใช่ ธรรมเป็นต as huh hmm. hmm. ัวแทงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวร่างกายไม่ใช่ตัวแทงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้่อเดเราเห็นตัวร่างกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าอย่าถ้าเราเป็นบุคคลที่ยังไม่เห็นธรรมที่เป็นความเป็จริงเรายังไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้น อยากจะเห็นไหม ย, ยิ้ม <c oughs> หมความว่าอยากใช่ไหมถ้าอยากต้องรู้และเห็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ร, รู้และเห็นที่อาตมาบอกมองที่ไหนก็เห็นแค่รูปลับอนุเล็กที่เกิดดับอย่างรวดเร็วเข้าใจโอ้ต้ถากุาเป็น บุคคลพิสิษ ท, ที่รู้และเห็นทำแบบนี้อยู่นี่เราเห็นแล้วเข้าใจพระสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าคือใครมากขึ้นเด่อย่าไม่สมบูงอย่าไม่สมบูงต้องพิจารณาต่อนาม จำได้ไหมคำที่อาตมาได้เราให้ยมทั้งทั้งทั้ยมทั้งหลายทั้งหลายเดี๋ยววันนี้เราให้ยูมทั้หทงหลายฟังตอนเชา้าเราก็อาตมาบอกว่าซ้ำพุดซ้ำตามอาตมาคําไหนจําได้ไหมคําที่อาตมาบอก repeat after me ปัญจวการพูิจำได้ไหมเดี๋ยวพุทธสัมตามอัตมาปัญจวการพูิปัญจหมายความว่าห้าวการะพูิหมายความว่าที่มีขันห้า เดี๋ยวนี้เราอยู่ในภูมิที่มีขันธ์ห้านำเกิดโดยอาศัยรู้ผู้ที่ได้พิจารณาณผู้ที่ได้พิจารณารู้ประมาิอย่างละเอียดภายในภายนอกภายในภายนอกครบแล้วพร้อมที่จะปฏิบัตินำกรรมฐานต่อไป น้ำเกิดที่ไหนที่ไหนจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตเกิดที่ไหนโยมช่วยด้วย น้ำเกิดที่ไหนเกิดในจิตเจ็ดเกิดที่ไหนในสมองใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับนักวิทยาศาสตร์หรือไม่เห็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายบอกว่า จิตเกิดในสมองใช่ไหมเห็นด้วยไหมถ้าอย่างนั้นเห็นที่ไหนใจหัวใจยูาตาตมาจะจะอธิบายให้โยมทั้งหลายเข้าใจ ในเวลาโยงมีความกรธเกิดที่ไหนความโกรธที่สมองความกรธเกิดในส ม, มองเลยที่นี่ที่นี่ใช่ไหมโกรธรู้สึกที่นี่ใช่ไหมในเวลาที่ มีความกลัวเกิดที่ไหนที่ส ม, มองในส ม, มองหรือที่นี่ที่นี่ในเวลาที่โยมดีใจมากดีใจมากความรู้สึกเกิดที่ไหนไม่ใช่ในส ม, มองหรือ ไ่ใช่ใช่ไหมจริงดีใช่ไหม When you are proud of, when you are feeling proud of ในเวลาที่ยมมีความมีความภูมิใจใช่ไหม ในเวลาที่โยมมีความภูมิใจรู้สึกที่ไหนเกิดที่ไหนไม่ใช่ในสมองใช่ไหมที่นี่ When you are feeling jealousy อิจฉาในเวลาที่ในเวลาที่มีมีความอิจฉาเกิดที่ไหนไม่ใช่ที่นี่เลย ที่นี่เน่ใจไหมเน่ใจใช่ไหมเ ม, ม่เดยวมยิอาไม่เห็นวิถีจิโยมเข้าใจว่านามไม่เกิดในสมองเกิดที่นี่อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับคนเราในชีวิตประจําวันไม่เกิดในสมองไม่เกิดในสมอง เดี๋ยวนี้มีอยอมได้ฟังทำดีใจไหมที่ไหนอันนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ในสมองหรือที่นี่ใช่ไหมกุศลอกุศลกุศลละจุดที่เป็นกุศลจุดจที่เป็นอกุศลทั้งหลายเกิดที่นี้ ไม่เกิดในสมองเม่เดยมยังไม่เห็นนามประมาติเม่เดยมยังไม่เห็นนามที่เกิดขึ้นแบบวิธีจิตยมสามารถเข้าใจอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่สิ่งพิเศษอันนี้สิ่งที่เราได้ประสบในเวลในชีวิตประจำวัน นอกจากนอกจา n สิ่ c จิต c i o u s n e s s จิตที่เห็นรูปารมเ ห, หมจิตที่เห็นรูปารมจิตใต้สำนึกค่ะ จิตที่เห็นรูปาโรโหจะคุ้ยญาณจิตที่เห็นรูปาโรโห อ, อัตมาจะเปรเองนอกจากจิตที่เห็นรูปาโรโหจิตที่ได้ยินสัต ด, ดาโรโหได้ยินเสียง จิตที่ได้เ ย, ยนได้คลีนได้คลีนกันารได้คลีรได้คลีลใช่ไจิตที่ได้คลีนคลีใช่ไเ <Clean. S 1> ข้าใจรึเปล่า <Yeah. laughs> จิตที่ได้รู้สึกรู้จิตที่ รู้ความสัมพัสนอกจากจิตที่รู้อารมณ์ให้อย่างนี้จิตทั้งหลายเกิดโดยอาศัยรู้ที่เกิดในในหัวใจในหัวใจมีจุดเล็กๆที่เลือด gather เลือดไปหล่อเลี <together S 2> ้ยงนะคะเลือดไปรวมอยู่ตุ๊กเก็ตเตอร์ที่ที่เกตเจอร์เกตเจอร The place where the blood gathering จุดศูนย์รวมของเลือดที่หัวใจค่ะมีจุดหนึ่งที่เรียกตั้งและดไหลอยู่เข้าใจมั้ย ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จุดใหญ่ๆถ้าทำแบบนี้เห็นไหมในนี้มีเลียดห้ทำนองเดียวกันในหัวใจมีขนาดนี้ที่นั่นถ้าพิจารณาทัศสีเห็นแค่รูปกราบที่เกิดดาบอย่างรวดเร็วจำนวนมากมายแต่ใน รูปกลับมีรูปกลับชนิดหนึ่งหมายควงชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าหัตยวุตุหัตถยวุตุคือที่อาศัยของจิตที่อาศัยของวิธีจิตแล้วก็ผวังผวังเค้ได้ยินใช่ไหม พวังเกิดโดยอาศัยหยัถยวุตถุหยัหยวุตถุเข้าใจหมหัตถยัตวัตถุวัตถุคือเบสพื้นฐานวุตถุ <laughs> วัตถุเป็นภาษาไทยอยู่แล้วค่ะอ๋อภาษาไทยอยู่แล um ้วอ๋ไม yeah, mm. ่บอกเงียบหัตยาวุตถุหัตยาวุตถุคือที่อาศัยของผวังผวังเกิดโดยอาศัยหัตยาวุตถุหัตยาวุตถุเกิดในเลือด ที่อาตมาบอกเมื่อกี้นี้นอกจากจิตที่รู้อารมณ์าอย่างที่เป็นรูปารมณ์ที่เป็นเสียงที่เป็นกลิ่นรสและสัมผัสจิตอื่นๆทั้งหลายคือโดยอาศัยหาดยาวัตถุ เพราะฉะนั้นบุคคลที่เห็นนามบุคคลที่สามารถรู้ได้เห็นนามในช่วงแรกเห็นวิธีจิตที่เกิดดาบอย่างรวดเร็วตอนเช้าอดมาตอนเช้าหรือในเวลามีคำถามคำตอบ อัตะมาจำไม่ได้อัตะมาได้ได้อธิบายสัทธาโลมเสียงในเวลาได้ยิงเสียงเสียงกระทบที่ไหนหูแล้วก็โสตประสาหูหมายความว่าโสตประสาในเวลาเดียวกันเสียงกระทบที่ไหนกระทบที่พ่าวาง จำได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผู้ที่มีความสามารถผูท้ที่รู้และเห็นนามที่เกิดในรูปแบบวิธีจิตเดี๋นี้หลับตาแล้วก็เจริญอนาบานาถิญฉันทิสีแล้วก็ฟังเสียงเสียงมากก็ทุก เสียงหมา ก, การะทบสอดาปัสสัตแล้วก็เห็นอ น, นี้มากกระทบในผัววังตอนนั้นวิธีจิตเกิดขึ้นอยู่นี่โยมทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายแค่ได้ยิงเสียงใช่ไหมไม่เห็นวิธีจิตเพราะว่ายังไม่มีสมาดีแล้วก็ยังไม่ได้พิจรารณารูปปรมารเพราะฉะนั้น ยังไม่สามารถเห็นวิธีเจตได้แต่ผู้ที่ได้ปฏิบัติตามลำดับแล้วในเวลาที่ได้ยิงเสียงในเวลาที่เสียงกระทบโซดาประสาและพผวงังเห็นวิธีเจตที่เกิดดับอย่างรวดเร็วอยากจะได้ยิน อะไรที่ผู้ปฏิบัติเคยรายงานไหมในเวลาที่ผู้ปฏิบัติเห็นวิธีจิตเขารู้สึกอย่างไรอยากจะได้เย็นไหมในเวลาที่เสียงกระทบโซดาประสาทเลพะวงังเห็นว่าลู้สึกทั้งหลายเห็นว่าวิธีจิตเกิดแบบนี้ เข้าใจไหมอันนี้เกิดขึ้นบอกไม่ทันอย่างรวดเร็วรูปเกิดดับอย่างรวดเร็วแต่ไม่เท่าน้ำน้ำเกิดดับเรีย รู้ว่าเรียวมากกว่ารู้หลายๆเท่าอ น, นี้ใ น, ในเตละใต่ละวิธีจิตมีจิตตะขณะจิตเป็นจิตตะขณะเข้าใจไหมในวิธีอาตมาได้อุปมาอ น, นี้จิต เกล้าก็ดับจิตเกล้าก็ดับจิตอันนี้เป็นถ้าประกอบด้วยวิธีประกอบด้วยอันอนี้อันนี้เขาเรียกว่าจิตตขณะดวงจิตดวงจิตถูกไหมอันนี้ดวงจิตอันที่หนึ่งอันนี้ดวงจิตอันที่สอง อันที่สมอันที่สีอันที่ห้าอันที่หอันที่เจอันที่แปอันที่แปอันที่เก้อันทีิในเวลาโยมใต้เย็นเสียงมีทั้งหมดดวงจิตส4สีทีนี้แค่สิบใช่ไหมเดี๋ยวต้องมาสดวงอีกอันนี้ดดดดดวง โยมไดเห็นที่นี่ลิกซึ่งแค่ไหนไม่มีมหาวิทยาลัยใดใดที่สามารถสอนอันนี้ได้เดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามทาเพื่อจะรับรู้นำ้ำอาตมากล้าพูดวันหนึ่งโลกนี้ถูกทำลายโดยถูกทำลายโดยน้ำ บางทีถูกทำลายโดยไฟายบางทีถูกทำลายโดยโลง่งหนที่สุดโลกนี้จะหายไปนักวิทยาศาสตร์จะไม่เข้าใจน้ำจะเกิที่ไหนเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถรู้และเห็นด้วยเครื่องนอก เครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือนอก <laughs> ไ, มไม่ต้องใช้นอกใช่ไหมไม่ต้องเลย <laughs> ไม่สามารถเข้าใจไทยด้วยเครื่องมือต่างๆมิโครสโคปไม่สามารถช่วยเมดเด็นักวิทยาศาสตร์ invented ผลิตสร้างผลิตนะ สร้างผลิเครื่องมือที่มีกำลังอันใหม่ๆขึ้นมาไม่สามารถช่วยรู้และเห็นทรรนามนามได้อันนี้ที่อ น, นเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้ด้วยแสงเห็นปัญญาเราสนใจขึ้นมาวิทยายมาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดังใช่ไหม ไม่สนใจเลยสนใจกันลงทนไปเรียนโยงแม่โยงพ่อก็สนับส น, นุนไปเถอะลูกไปเรียนยินดีไปเด็กเขาไม่สามารถสอนทามที่เล็กสิ้งขนาดนี้เราโชคดีมากเราเกิดมาเป็นมนุษย์ เรานับถือพระพุทธศาสนาเรานับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเชื่อฟังพระธรรมเราเชื่อฟังพระสงฆริยาสงเราโชค ด, ดีเรามีโอกาสได้ปฏิบัติแต่ยังไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวนี้ได้เย็นแล้ว อะไรที่เราต้องรู้และเห็นน้มเกิดขึ้นแบบนี้เดนไม่ใช่สิบสีดวงไม่ใช่แค่สิบสีดวงแล้วก็ตามมาอีกวิธีเจที่เกิดระดับอย่างนับไม่ทวนไม่ไม่ไม ท่วมใช่ไหมทอวโมไม่ไม่ท่วมไม่ทว่วงไม่ทว่วมท่ว น, นอนหนูค่ะนอนหนูไม่ใช่มโมมะ <laughs> นับไม่ทว่วงใช่เลยในธรรมนองเดียวกันในเวลาที่เห็นรูปารโรมรูปารโมกับทืก จกกูปะาแล้วก็นายพวังเหมือนกันตอนตอนนั้นก็วิธีเจิดเกยก็มีสิ บ, ส, บสีดวงเหมือนกันอันนี้หมายความว่าวิธีเจิดวิธีจิตเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับจักกูทวนทวนทวนเข้าใจไหม วิธีจิดเกี่ยวข้องกับประตูประตูประตูประตูตาประตูตาที <laughs> ่สิบสี่ดวงอตมา ได้อธิบายไปแล้วถ้ารู ป, ปารมักกระทบจะกูปัสสาแเลในผวางวิธีเจดเกิดที่มีสิบสีดวงดวงจิตอันนี้เป็นวิธีเจที่เกี่ยวข้องกับประตูตาเข้าใจไหมเข้าใจหรืบเปล่า <laughs> เพราะไม่มีคนเปลย์ก <c oughs> ็เลยอาจจมาเปลย์เองเดี๋ยวนี้ <c oughs> คำบาลีก็ขอเรียกว่าชักกุดวาระวิถีชักกุดวาระวิถีวิถีจิตเอวิถีจิตเกี่ยวข้องกับประตูตา เข้าใจัหมเข้าใจดีไหมดีในเวลาที่เสียงมากระทุกโซดาประสาทเล็ดในพ่าวางก็วิถีเจตเกิดขึ้นที่ประกอบด้วยดวงสิบสีดวงอันนี้ขอเรียกว่าวิถีเจตเกี่ยวข้องกับประตูหู ในเวลาที่ได้ในเวลาที่กลิ่นมากระทุกานาปสาก็กลิ่นก็มากระทกในพระหวังในเวลาเดียวกันตอนนั้นก็วิธีเจตเกิดขึ้นก็มีสิบสีดวงอันนี้วิธีเจเกี่ยวข้องกับจมูกประตูจมูก ในทำนองดีกันถ้ารุดมากระทุกจิงวาประสาทจิงวาจิงหาชิวหาค่ะชิวหาจิงจิงห้าจิงห้าชิวหาชิวค่ะชอีวอลแวน ชาวช้างรวแหวนค่ะชิงชิวชุงชิวชุงชวาชวาภาษาบาลีชิงวาแบบนี้สาธุนทั้งหลาย วันใดวันหนึ่งทมีสมาธิแล้วถัพสามารถพิจารณารูปประมารได้อย่างละเอียดแล้วก็สามารถพิจารณานามต่อไปได้ก็จะเห็นแบบนี้เกิดดบับเกิดดับตลอดในแต่ละดวงจิตในแต่ละดวงจิตมีจิตและจิตศิ จิตเจิตดที่เกิดเล็ดดาวสมมุติว่าอันนี้อันนี้ดวงจิตอันที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็อันนี้อันที่สองอันที่สองเป็นดวงจิตอันนี้เป็นจักขุอวญยันจิตที่รู้รูปารมอันนี้เป็นดวงจิตที่สอง ในดวงจิตที่สองมีมีมจิตและจิตเดชิ์ทั้งหมดแปดยังมีทั้งหมด 8. แปดอันนี้เป็นที่เราต้องพิจารณางงงงใช่ไหม <laughs> เข้าใจไหมเข้าใจนิดหน่อยใช่ไห ม, ม น, นิดหน่อยก็พอจินตนาการไม่ได้อันนี้เป็นคมสั่งส่งของพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทูงอธิบายไว้ธรรมที่ต้องรู้และเห็นด้วยยานนั้นจินตนาการไม่ได้ เดี๋ยวนี้อาตมาพยายามอธิบายให้มีโอกาสได้ฟังได้รู้เพื่อจะให้มีโอกาสบรรเพนบารมีแม้แต่จะได้เรียนทำแบบนี้ไม่ง่ายไม่ง่าย คนที่ไปเรียนอภิธรรมก็งงๆเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้เห็นโดยตรงใช่ไหมว่าเลยเอยเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อกี้นี้อาตามาเล่าให้ฟังการรายงานของลูกศษยในเวลาที่เสียงมากระทุกเห็นวิธีเจตที่เกิดขึ้น เกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างรวดเร็วเดี๋ยวคิดดูดีๆหลับตามองดูทั่วมองดูร่างกายของตัวเองก็เห็นแค่รูปกราบที่เกิดดับแล้วก็มนสิการเสียงไปใส่ใจเสียงเสียงมากเกระทุก แล้วก็ที่นี้อะไรเกิดวิธีเจิดเกิดขึ้นใช่ไหมคิดดูทั้งตัวก็กลายเป็นรูปกลับอนุเละเล็กที่เกิดดบับแล้วก็นามที่เกิดขึ้นนามที่เกิดดับอย่างรวดเร็วเห็นผู้ชายผู้หญิงอีกไหมไม่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้มีแค่นามและรูป ไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงยอเข้าใจไหมเข้าใจ <c oughs> นามลิกซิงลิกซิงมาจะไม่อธิบายต่อมากกว่านี้เดี๋ยวก็จะงงมากขึ้นแคนดี้กบพอใช่ไหม อยากคิดว่ายากยากมากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสัญญาไว้ผู้ที่ใจตั้งมั่งดีรู้และเห็นทุขศาสตร์ที่เป็นรูปนามปรมาติ์แล้วก็สุตยาศาสตร์ที่เป็นเหตุและผล แล้วก็นิโรดาสัตว์ที่เป็นพระนิพพานแล้วก็มักัสมุเดียลุคัสสตวสมุเดียสตว์นิโรดาสั์แล้วก็อะไรมักัสสตว์ก็จะรู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงเหมือนกันอีนี้สมมุติว่าโยมทั้งหลายรู้และเห็น รูปนามปรมัตัยอย่างดีแล้วสมมติว่าสมมติว่าก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> รู้แล้ว <c oughs> เห็นแล้วต้องพิจารณาต่อสมุทยยศัสตร์สมุทัยศัยสตร์คือ เหตุเหตุที่เหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกเหตุเกิดทุกเหตุที่ก็ให้เกิดทุกคือสมุทัยสัตเหตุเหตุทุกใช่ยอมนี้ถูกั้ยเหตุที่ทาให้เกิดทุกเหตุที่ทาให้เกิดทุก เป็นสมุดยาศาสตร์ถ้าอย่างนั้นขอถามหน่อยทุกข์สัตว์ที่เกี่ยวข้องกับเราในชีวิตนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดที่ไหน The beginnings of the beginnings of the sun. When did the suffering start in this very life? t o o เกิดขึ้นเมื่อไรคะในชีวิตนี้ในชีวิตนี้ทุกเกิดขึ้นเมื่อไรในชีวิตนี้เกิดที่ไหนด้วยที่จิตยังไม่ถูก <G ül> <G ül> รูปนามก็ยังไม่ถูกเหมือนกันทุกทุกเกิดขึ้นเมื่อไรในชีวิตนี้ในเวลาอยู่ในคาน ช่วง the beginning stage ปฏ um, mm ิสนธิ but ปฏิสนธิขณะเข้าใจไหมในเวลาที่ปฏิสนธิจิตเกอตอนนั้นปฏิสนปฏิสนธิจิตเกอโดยอาศัยรูปเพราะฉะนั้นในขณะปฏิสนธิจิตเกอรูปและนามเกอ รูปเล็ดนมคือทุกข์สั์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในขณะที่วิในขณะที่ปฏิสันดิจิตเกิดรูปเล็ดนำเกิดเพราะว่าปฏิสันดิจิตเกิดโดยอาศัยรูปในบัจจุบนันนี้นักวิทยาศาตร์อธิบายว่านักวิทยาศาตร์เข้าใจว่า เด็กในเด็กอยู่ในคานนั้นเป็นผู้ชายผู้หญิงล่างกี่เดือนสามเดือนใช่ไหมเด็ด ต, ตามคาสั่งส่งของพระพุทธเจ้าในเวลาที่เราเข้ามาอยู่ในคานมันดาในเวลาที่ปฏิสันดิจิตเกิดรูปชนิดสามอย่างเกิดด้วย ตอนนั้นผู้ชายหรือผู้หญิงนั้นจากัดแล้วกาหนดแล้วกาหนดว่าเด็กคนนั้นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอันนี้โยมทั้งหลายสามารถพิจารณาถ้ามีสามาดิวันใดวันหนึ่งต้องพิจารณาเพื่อจะเข้าใจ สมุติศาสตร์เพราะฉะนั้นต้องพิจารณารูปเล็ดนามที่เกิดในเวลาที่เราเริ่มอยู่ในคันมันดาลิกซิงมาถ้าโยมสามารถรู้และเห็นรูปแล็ดนามที่เกิดดับอย่างรวดเร็วอย่างละเอียดแล้วโยมสามารถพิจารณารูปเล็ดนามที่เกิดตอนเย็นนี้ รูปแลกน้ำที่เกิดดับตอนบ่ายนี้รูปแรกเกิดที่รูปแลกน้ำที่เกิดและดาบตอนเช้านี้เดี๋ยวนี้อาตามาถามว่ารูปแลกน้ำที่เกิดหนึ่งนาทีที่ผ่านมาโยมทั้งหลายสามารถพิจารณาได้ไหมได้ไหมรูปรูปแลกน้ำที่เกิด แค่ในหนึ่งวินาทีที่ผ่านมาพิจารณาได้ไหมได้ไหมไม่ได้ทำไมเพราะว่ายังไม่รู้ยังไม่เห็นรูปเล็ดนำที่เกิดดาบอย่างรวดเร็วถ้าโยมได้เห็นได้รู้ได้เห็นรูปเล็ดนำที่เกิดดับอย่างรว ด, วดเดร็เรเเดด ว, วโยมสามารถพิจารณา รูปและนามที่เกิดหนึ่งนาทีที่ผ่านมาห้านาทีที่ผ่านมาสิบนาทีที่ผ่านมาวานันวันที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมาหาวันที่ผ่านมาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาก็สามารถพิจารณาได้ต้องพิจารณาย้อนลงไปยอ้ยอนลงไปเอ๊ ย้อนลงไปย้อนยอน้ยอนกลับพิจารณาในอดีตถ้ายางเป็นผู้ที่มีอายุ30สมมุติว่ายางต้องพิจารณารูปและนามที่เกิดทับ ห้าปีที่ผ่านมา6ปีที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมายมจะแปลกใจ ย, ยมจะเห็นรูปภาพที่ยังมีอายุน้อยเกิดขึ้นมาตอนนั้นต้องพิจารณาธาตุสีรูปภาพที่เกิดขึ้นในรูปภาพที่เกิดขึ้นก็เห็นแค่รูปเลน้ำที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดดาบอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องพิจารณาต่อ สิปีที่ผ่านมายี่สิบปีที่ผ่านมายี่สิบห้าปีที่ผ่านมาใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมแล้วก็ยี่สิบเก้าปีที่ผ่านมาอีก็ยี่สิบเก้าครึ่งใ <laughs> กล้จะเข้าในคันของมันดาแล้ว ตอนนั้นพิจารณาย้อนพิจารณาต่อไปก็ในที่สุดเข้าไปในคันมนดาแค่เห็นรูปเละน้มที่เกิดดับต้องพิจารณาให้ถึงปฏิสันติขณะตอนนั้นเห็นว่านามเละรูปเกิดถิงที่ไหนแล้วถิงปฏิสันติขณะ ที่ทุกข์สัตว์เกิดขึ้นในชีวิตนี้เดี๋ยวอาตมาจะให้อุปมาอันนี้ปฏิสันดิอันนี้อันปฏิสนดิขณะในชีวิตนี้ในเวลาที่ทุกข์สัตร์เกิดถ้าถึงที่นี่แล้ว อันนี้จิตนี้เป็นจุ่จิตจิตอันสุดท้ายจิตก่อนดับค่ะจิตจิตก่อนตายค่ะจิตจิตจิตก่อนที่จะดับอาจารย์อันนี้จิตสุดท้ายจุตทจิตเจิตจิตจิตดวงสุดท้าย อันนี้ถ้าจิตดวงสุดท้ายดับไปแล้วก็ปฏิสันดีจิตเกิดไม่มีช่องว่างในระหว่างนี้อันนี้ดวงจิตสุดท้ายเกิดแล้วก็ดับทันทีถ้าบุคคลที่ต้องมาเกิดในโลกมนุษย์ก็มาปรากฏ ร, รูปและน้ำปรากฏในคันมันดาอย่งางนั้นถ้า ถึงที่นี่แล้วใกล้กับอดีตไม่ใช่หรือใช่ไหมอันนี้ปฏิสันดีจิตอันนี้จิตดวงสุดท้ายอันนี้เป็นมรณะสัญญาจิตจิตที่เกิดโดยก่อนที่ก่อนจะตายเห็นไหมอันนี้คืออะไรปฏิสันดีจิตอันนี้ดวงจิตสุดท้ายชีวิตที่ผ่านมาอันนี้เป็น มรณสัญญาจิตอันนี้จิตก่อนจัดตายเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนจใจอารมณ์ที่ปรากฏในวิธีจิตก่อนจัดตายนั้นเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้มาเกิดในโ ล, โลกม น, มนุษย์แต่แค่ไม่เข้าใจว่าอารมณ์ ปรากฏที่เป็นกุศล น, นั้นอารมณ์คืออะไรถ้าอยากจะรู้และเห็นสมุทัยสัจต้องเข้าใจกรรมและผลของกรรมอยู่นี้เราได้รับขันธานี้อันนี้เป็นผลของกรรมกรรมที่เกิดขึ้นนั้นถ้าเราอยากจะรู้อยากจะเห็นสมุทัยสัจต้องพิจารณาที่ไหน สมุทัยาศสต์เกิดที่ไหนในปัจจุบันหรือในอดีตในอดีตใช่ไหมทุกขาศาสตร์เกิดในเวลาที่ปฏิสันเดจิตเกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมุทัยาศาสตร์เกิดไม่ใช่ในอดีตเกิดในอดีตชีวิตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติที่สามารถย้อนพิจารณา อดีตโดยพิจารณารูปนามไปถึงในขนาดที่ปฏิสันดีจิตเกิดก็อาตมาก็สอนอะไรคือเหตุที่กให้เกิดรูปเล็ดนามในปฏิสันดีขนาดเข้าใจไหม อะไรคือเหตุที่ก่อให้เกิดรูปและนามที่เกิดในปฏิสันติขณะโดยความปรารนานี้ให้พิจารณาให้ย้อนพิจารณาอดีตต่อไปก็ไปเห็นส่วนมากก็ไปเห็นบุคคลที่นอนบนเตียงอยู่ บุคคลที่นอนบนเตียงอันนี้หมายความว่าบนเตียงค่ะก่อนจะตายเนะสุบ so, ส so. hmm? ก็ต้องพิจารณาธาตุสีในเวลาเห็นสุข so. ก็ต้องพิจารณาธาตุสีก็แค่เห็นรูปกราบที่เกิดดับอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องพิจารณาผ่าวังผ่าวังคือประดูจิตใช่ไหม อะไรอารมณ์อารมณ์ไหนอารมณ์อารมณ์มมที่ปรากฏในภาวงก่อนจะตายนั้นต้องพิจารณาให้เห็นเข้าใจไหมยยมผู้ชายเข้าใจไหมเข้าใจยมงง <laughs> โยมเข้าใจไหมโ <laughs> ยมเฮเข้าใจนิดๆหน่อยๆโยมเข้าใจโยมไหมเข้าใจเดี๋ยวอาตมาจะให้จะล่าให้โยมทั้งหลายฟัง มีผู้ปฏิบัติคนหนึ่งสามารถเจริญสมาธิถึงเขา้าฌานได้แล้วก็สามารถพิจารณารูปเล็ดนำประมาทได้อย่างละเอียดเพราะฉะนั้นเห็นทุกขสัจแล้วตอนนั้นก็ให้พิจารณาสมุทัยสัจเพราะฉะนั้นให้พิจารณารูปเล็ดนำที่เกิดดับโดยยอมพิจารณาอดีต ในที่สุดเห็นรูปนามที่เกิดในปฏิสันติขณะในคำมันดาแล้วก็ให้พิจารณาอะไรที่เกิดก่อนที่จะตายอารมณ์อะไรที่ปรากฏในพ่าวังในประตุจิตของบุคคลนั้นก็เห็นว่ามีโยงผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังถวายผลไม เกพะพิสุกรูปหนึ่งอันนี้เป็นอารมณ์สุดท้ายที่ปรากฏในประดูจิตของผู้ปฏิบัติคนนั้นในชีวิตที่ผ่านมาอันนี้กุศลหลือนนกุศลกุศลแล้วก็ต้องพิจารณาให้เข้าใจโยงผู้หญิงที่กำลังถวายผลไม้และพะพิสุนั้น ใครเป็นเขาแค่ได้เห็นตัดสินใจไม่ได้อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คนนี้เป็นดิฉันคนนี้เป็นหนูบอกแบบนี้ไม่ได้ต้องพิจารณาให้เข้าใจใครคือใครก็ให้เขาพิจารณาให้โยมคนนั้นพิจารณานามและลูกของพระภิกษุ ไม่มีความเชื่อมโยงไม่มีความเชื่อมโยงเข้าใจไหมคําเชื่อมเชืเช่อโยงถูกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อะไรที่โยมรู้สึกในจิตของโยมโยมรู้จิตของโยมไหมอะไรเกิดขึ้นในจิตของโยมโยมรู้สึกไหม ในทำนองเดียวกันโยงรู้สึกอะไรที่เกิดในจิตของโยมไหมแต่ถ้ายมสังเกตจิตของตัวเองรู้ไหมรู้ใช่ไหมพอรู้ในทานองเดียวกันถ้าเราถ้ามีความเชื่อมโยมถ้าบุคคลนั้นเสียใจยบุคคลนี้ คนที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นในจิตของเขาก็มีความเสียใจเหมือนกันถ้าเขาเย็ยนดีเขาก็เย็ยนดีถ้าเขามีความหวงเขาก็หวงเพราะว่าเป็นคนเดียวกันนามและลูกมีความเชื่อมโยงก็ให้พิจารณาโยมคนนั้นเห็นว่านามและลูกของพระพิสุกนั้น ไม่เกี่ยวกับเขาไม่มีความเชื่อมโยงแต่ในเวลาไปพิจรารณานามเละรูปของโยมผู้ยิ่ยงที่กำลังถวายผลไม้เก็บภาพิสุจเห็นว่ามีความเชื่อมโยงตอนนั้นสามารถตัดสินใจได้ว่าโยมคนนี้เป็นเข้าใจใช่ไหมอยากจะทำไหม เดีย๋ยวจะพิจารณาไหมยากแล้วก็ให้พิจารณาต่อมีในเวลาถวายผลไม้แก่พระพิสุมีการอธิฐานอะไรบ้างแล้วก็ให้พิจารณาคนนั้นเป็นใครก็เข้าใจว่ายงผู้เย่ยงที่กําลังถวายผลไม้นั้นเป็นไม่ใช่คนเลย คนจนไม่ใช่อยู่ในอยู่ในเมืองอยู่ในตำบลไม่ใช่ผู้ที่มีการศึกษาดีไม่มีการศึกษาก็เขาอดิฐานเพราะว่าได้ทำกุศลกรรมกุศลกรรมได้ทำกุศล น, นี้ขอให้หนูไปเกิด ในเมืองหลวงขอให้หนูเป็นผู้ที่มีการศึกษาดีก็ในชีวิตนี้มาเกิดในเมืองหลวงแล้วก็มีการศึกษาดีด้วยเข้าใจไหยดีไหมดีเม่อย่างนั้นเรายามีสงสัยเหตุและผลกรรมและผลของกรรม แอนนี้ถูกเลยไม่กรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วเห็นว่ามีคนชั่วได้ผลดีเหมือนกันถูกเลยไหมบางทีก็มีข้อสงสัยเหมือนกันถ้าเรายังไม่รู้และเห็นกรรมและผลของกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตชาติที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจุบันนี้เราไม่สามารถไม่สามารถละความสงสัยของตัวเองถ้าเห็นแบบนี้แล้วไม่ต้องสงสัยแล้วเกอธตมาสอนไม่ใช่แค่อดีตชาติชาติเดียวได้พิได้ได้สอนลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีความสามารถ เพื่อจะเห็นอดีตชาติน้อยที่สุดห้าชาติทำไมเพื่อจะเข้าใจกรรมและผลของกรรมเดี๋ยวนี้เกิดเป็นมนุษย์ถ้ายอมพิจารณาในอดีตชาติแต่ละชาติผ่านไปต่อไปเห็นว่าบางทีเราจะไปเกิดในในโลกาสา์ บางทีก็เราเห็นว่าเราไปเกิดในโลกเทวดาบางทีก็เราเห็นว่าเราเป็นคนโจนบางทีก็เราเห็นว่าเราเป็นพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันเดี๋ยวนี้พระเจ้าอยู่หัวของแผนดินไทยสวรรค์สวรรค์ในโคตไปแล้วใช่ไหม ตัวเองก็อาจจะเคยเป็นพระเจ้าอยู่หวัวในอดีตชาติมาก็มีเหมือนกันอยู่ถ้าเห็นว่าเราเคยไปเกิดเป็นสัตว์เคยไปเกิดในโลกสัตว์กรรมที่ก่อให้เกิดเป็นสัตว์นั้นคืออะไรต้องพิจารณาให้เข้าใจถ้าพิจารณาให้ดีๆในที่สุดเข้าใจว่า กรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วในเวลานั้นโยมทั้งหลายเข้าใจสมุทัยาสตว์อันนี้เป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ใครหนอที่จะรู้และเห็นธรรมที่ลึกซึ้งแบบนี้ผู้ที่มีสมาดี ผู้นั้นจะรู้และเห็นธรรมที่ลึกซึ้งแบบนี้พระ บ, บุรีสัตว์ได้รู้และเห็นรูปแล็ดนาด้วยอภินญ์านพระ บ, บุรีสัตว์ได้รู้และเห็นกามเล่ผลของกรรมด้วยอภินญ์ยานเพราะฉะนั้นเพื่อจะสามารถพิจารณาอดีตชาติ และเพื่อจะเห็นกรรมและผลของกรรมมีสองวิธีที่สามารถพิจารณาได้สองวิธีที่สามารถช่วยเราเห็นได้วิธีที่หนึ่งก็เป็นด้วยอภิญญาวิธีที่สองก็ด้วยวิปัสสนาญาณเข้าใจไหมอ้ยอัตมาสอนลูกศิษย์ทางหลายส่วนมาก ด้วยวิปัสสนายานถ้าโยมทั้งหลายมีความสามารถจะปฏิบัติอภิญญาณก็สามารถเห็นได้ด้วยอภิญญาณเหมือนกันเดที่สำคัญถ้าสามารถเห็นได้ด้วยวิปัสสนาญานก็พอแล้วใช่ไหมก็พอใช้ได้แล้ว จำได้ไหมพระบริสัทว์ในปฐมยามรู้และเห็นทุกขสัตว์ที่เป็นรูปเละนามประมาทแล้วก็ในในจุท ย, ยามในยามที่ยามที่สองรู้และเห็นเหตุและผล กามและผลของกรรมด้วยอภิญญาณด้วยจำได้ไหมเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วตอบไม่ไหวแล้วยังพูดใจยังไม่เหนื่อยใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นก็ต้องถามโยมพู้ชายหน่อยนะจำได้ใช่ไหมในปฐุมัจาณได้บันลุปุบเบนิวาสะอิญญานในมัจจิมัยามได้บันลุเดบัจชะคุอเิญญาด้วยปุบเบนิวาสิวาสะอเบญยนก็รู้และเห็นอดิชาติผันมาอย่าง ไม่นับทูอันนับไม่ทูนนับไม่ทูอนเล้วก็เห็นรู้แลยเห็นรูปเลยนามประมตทในปฐมายานในมัจจิมายามได้บันลุกได้บัจักุอเบญยันโดยอย่างนี้เห็นกามและผลของกรรมถา้างนั้นพระโพธิสัตว์รู้และเห็น ทุกขศักดิ์ในประตูมายามสมุดยาศักดิ์ในมัจจิมายามจำได้แล้วใช่มั้ยจิตอยู่ในห้องปฏิบัติหรือเปล่ลายังอยู่ใช่มั้ยยังอยู่ก็ดี แล้วในยามสุดท้ายพระบุดด hisat ได้ปฏิบัตษวิปัสสนาต่อไปเดี๋ยวนี้อาตมาต้องถามอีกอารมณ์ของวิปัสสนาคืออะไรอารมณ์ของวิปัสสนาคืออะไร รูปนามดรัลก์ายลัลก์เป็นลักษณะที่ต้องพิจารณาโดยเห็นความเกิดดับอารมณ์ของวิปสัสสนาคือทุกขสัจแลสมุติยาสั์ อันนี้ตามคำสั่งสองพระพุทธเจ้าพระ บ, บุิษสัตย์ได้รู้และเห็นดุขสักในปฐุมายามดุขสักคือนามเ ล, ล่รู้แล้วก็ในดุติยายามยามที่สองรู้และเห็นกามเละผลของกามใช่ไหมอันนี้เป็นสมุทยาสัตย์เพราะฉะนั้นพระ บ, บุิษสัตย์พร้อมที่จะปฏิบัติวิปัสสนาใน ยามที่สถ้าเราอยากจะปฏิบัติวิปัสสนาตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องรู้และเห็นทุกขศักดิ์ที่เป็นนามและรูป ก, ก่อนเราก็ต้องพิจารณาต่อกรรมและผลของกรรมที่เป็นสมุทัยศักดิ์ถ้ายังไม่รู้ยังไม่เห็นนามและรูปและเหตุเหตุและผลไม่พร้อมที่จะปฏิบัติวิปัสสนาตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อยู่นี่พร้อมแล้วหรื อ, อยังยังไม่พร้อมใช่ไหมเคดคีปฏิบัติมาวิปัสสนาแล้วไม่เห็นไม่รู้รูปนามปรมาติไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เหตุและผลง่ายทีเดียวง่ายกว่าปหนึ่งใช่ถ้าปฏิบัติแบบที่เราปฏิบัติมาเมื่อก่อนที่ขอเรียกกันว่าวิปัสสนา ง่ายที่เดียวไม่มีการเตรียมตัวแม้แต่ในเวลาขึ้นโปหนึ่งก็ต้องเรียนต้องอ่านต้องท่องจำต้องสอบใช่ไหมเตรียมตัวทั้งไหนเราต้องเตรียมตัวอย่างอย่างดีนะแต่เดี๋ยวนี้ทุกภาษ์ก็ไม่รู้ สมุติยาศาส์ก็ไม่รู้เข้าในห้องปฏิบัติก็ิปพิจารณาอนิจจันตุนนกัรอนัตตันเกะใครไม่ทราบยังไม่พร้อมยังขาดอยู่ที่อันสำคัญที่สุดก็อันขาดที่สำคัญที่สุดก็สัมมาดี เพราะว่าไม่มีสมาดิเพราะฉะนั้นไม่รู้ไม่เห็นรูปและนามเพราะว่าไม่มีสมาดิเพราะฉะนั้นไม่ไม่รู้ไม่เห็นกรมเล่ผลของกรรมเพราะฉะนั้นมีจะเป็นบุคคลที่สงสัยกรมเล่ผลของกรรมด้วยถ้าเป็นถ้าบารลุศตาปฏิมักไม่เห็นไม่มีความสงสัยกรมเล่ผลของกรรมแล้ว ถ้าเราไม่ได้พิจารณาโดยตรงไม่สามารถละความสงสัยได้ต้องต้องรู้และเห็นด้วยยานโดยตรงเม่อย่างนั้นเราไม่สามารถละหรือทำลายความสงสัย ห้าเห็นงานท่าสมมุติว่าโยมทั้งหลายรู้และเห็นรูปเล็ดนามที่เป็นทุขสักการเล่ผลของการที่เป็นสมุทยาสักแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติวิปสัสสนานะถ้าเป็นสมะทายานิจเจรินอานาบานาดินจันทีสีแล้วก็พิจารณาต่อรูปเล็ดนามที่เป็นทุกขสัก แล้วก็พิจารณาต่อการเล่ผลของกรรมเหตุเล่ผลที่เป็นสมุทัยศาสตร์แล้วก็ปฏิบัติวิปสัสสนาต่อถ้าเป็นวิปสัสสนาญาณิกต้องปฏิบัติทาตุีจนถึงเห็นรูปกราบแล้วก็ต้องพิจารณารูปปรมาภะแล้วก็ต้องพิจารณานามปรมาภะต่อไปเต ทำไมอาตมาให้กำลังใจแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายเพื่อจะเจริญอนาบานะฌานเพราะว่าในเวลาที่พิจารณาอดีตชาติด้วยอุปชารสมาดีทางของแบบของวิปัสสนาญาณิอุปชารสมาดีที่เกิดขึ้นในเวลาปฏิบัติท่ากรรมฐานนั้นกำลังไม่ดีเท่า อปนาชันสมาดิเพราะฉะนั้นวิปัสนาญาณที่ได้เข้าถึงอุป च าราสมาดิด้วยสมาดินี้ในเวลาพิจารณาอดีชาติบางคนมีความลำบากพิจารณาไม่ได้เพราะว่าพลังของสมาดิไม่พอสมควรเพราะฉะนั้นต้องสอนวิปป า, า น, นาบานาอีก เพื่อจะทำให้สมาดิมีกำลังมากขึ้นแล้วก็สอนต่อเพื่อจะพิจารณาอดีตชาติและการที่ปรากฏเวลาใกล้จะตายอีกเข้าใจไหมถ้าอย่างนั้นสมาดิดีการรู้การเห็นก็จะชาติถ้าสมาดิไม่ค่อยมีกำลังอาจจะลำบากด้วย เพราะฉะนั้นในเวลาที่รู้และเห็นรูปและนามที่เป็นดุขสั์เหตและผลที่เป็นสมุทัยสั์แล้วสามารถปฏิบัติวิปัสสนาได้แล้วรูปและนามเกิดดับอย่างรวดเร็วโดยเห็นรูปที่เกิดดับอย่างรวดเร็วเราก็ต้องพิจารณาอนิจจัน์ซ้ำแล้วซ้ำอีกภายในภายนอกอดีตปัจจุบัน อนาคต ด, ด้วยแล้วก็ต้องพิจารณาทุกการภายในภายนอกอดีตปัจจุบันอนาคตอีกแล้วอ น, นัตตตันโดยเห็นรูปที่เกิดดาบอย่างรวดเร็วต้องพิจารณาอ น, นัตตตันภายในภายนอกอดีตปัจจุบัน อนาคตอย่างนี้ต้องทําต่อแล้วก็นามที่เกิดดับอย่างรวดเร็วต้องพิจารณาอนิจจันตุการณ์ดังโดยเห็นความเกิดดับของนามประมาทภายในภายนอกนอกุศลอกุศลอดีตปัจจุบันอนาคต ด, ด้วยอันนี้ตามคําสั่งของพระพุทธเจ้าแล้วก็นามและรูปด้วยกันแล้วก็แต่ละขาน แล้วก็ขันธห้าด้วยกันอย่างนี้ต้องพิจารณาต่อในที่สุดอาตมาจะข้ามไปเดี๋ยวจะไม่อธิบายละเอียดแล้วอัตมาจะรจุนถิงโยมาปฏิบัติตอนนั้นจะสอนโดยอธิบายอย่างละเอียดเดีย๋ยวนี้ยังไม่ถึงเวลาจะอธิบายอย่างละเอียดเดี๋ยวก็จะง่วงถ้าไม่เข้าใจนะ ต, ต้องพิจารณาอารมณ์หลายๆอารมณ์เดี๋ยวอาตมาจะอธิบายให้ยงฟังหน่อยเดี๋ยวยนี้เข้าใจการกายานุปัสสนาวิรนามุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาใช่ไหมถ้าโยมเห็นรูปและรูปเละนามแล้วปฏิบัติกายานุปัสสนาได้แล้วถ้ายังไม่รู้ยังไม่เห็นรูปและนามปรมาต์อนุปสัสสนาสีปฏิบัติไม่ได้ กายานุปัสสนาปฏิบัติอย่างไรเห็นรูปกราบที่เกิดดาบอย่างรวดเร็วแล้วต้องพิจารณารูปปรมารที่มีอยู่ในแต่ละรูปกราบอนุเลเล็กที่เกิดดาบอย่างรวดเร็วต้องพิจารณาอนิจจารูปขันอนาตาัณอันนี้คือกายานุปัสสนาในทุกๆประตูภายในภายนอก ประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิง้งประตูกายแล้วก็ประตูจิตหทวงประตูหกหก ห, กหกประตูต้องพิจารณาต้องพิจารณาอนิจจันตุกาอนัตตาโดยเห็นความดับความเกิดดับของรู ป, ปรมามะแบบนี้แล้วก็ต้องพิจารณาต่อน้า ที่เกิดดับอย่างรวดเร็ ว, รวถ้าทำแบบนี้ขอเรียกว่ากายานุปัสสนาถ้ายังไม่เห็นรูปกราบแบบนี้ถ้ายมได้เห็นถ้ายมเห็นรูปเล็ดนำแบบนี้แล้วในเวลาเดินจงกรมหลับตาแล้วก็เดินจงกรมมองดูตัวร่างกายไม่เห็นตัวร่างกายแล้วเห็นแต่รูปกราบที่เกิดดับ เสียงมากกระทบเห็นรูปเห็นน้มที่เกิดดับก็ไปที่ไหนทำอะไรก็ตามสามารถพิจารณาอนิจจารูปขันอันดับนำเพราะว่าเห็นความเกิดดับของรูปเล็ดน้มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตอนนั้นเข้าใจว่าดินจงโกรมก็เข้าใจว่ากําลังดินจงโกรง ถ้านั่งลงก็เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้กรรมนั้นนั่งลงแต่ว่าโดยเห็นความเกิดดับของรูปเล็ดนำไม่ได้บอกว่าไปสั่งเกตการเคลื่องไหวถ้ามีการเคลื่อนไหวแบบนี้ถ้าโยมมีถ้าเป็นถ้าโยมเป็นผู้ที่รู้และเห็นรูปเล็ดนำแล้วในเวลาที่โยม ทำแบบนี้ถ้าโยมมองดูมือของโยงเห็นแค่รูปกราบที่เกิดดาบอย่างรวดเร็วไม่เห็นมือนี้แล้วเข้าใจไหมในช่วงเวลานั้นโยมสามารถเข้าใจอะไรคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้การเคลื่อนไหวไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานของวิปัสสนา แต่ถ้ารู้และเห็นรูปนามที่เกิดดับอย่างรวดเร็วในเวลาดินจงกรมก็ตามในเวลานั่งในเวลานอนในเวลาขยับตัวในอิริยาบถใดๆก็เห็นแค่รูปนามที่เกิดดับอย่างรวดเร็วดัง น, นั้นสามารถพิจารณาอนิจจารูกขันธนัตตาได้ถ้าทำแบบนี้ต่อไปในที่สุดวิปัสสนาญาณจะเ ก, กล้า ถ้าวิบาตสัญญาณเ ก, กล้าขึ้นอัตมาก็สอนลุกศิก์เพื่อจะพิจารณาอ น, นิจจั น, น, น, นตุขันอนัตตาโดยเห็นความดับไม่ให้ใส่ใจความเกิดแล้วให้เห็นแค่ความดับอันนี้ขอเรียกว่าบางกา ย, ยานที่เพ่งดูความดับของรูปนามปรมาติเหละผล ถ, ถ, ถ้าพิจารณาแบบนี้ต่อไปในที่สุดวิปัสสนาญาณเกกล้ามากขึ้นอีกก็ไปถึงสังคารุปคายานก่อนที่ไปถึงสังคารุปคายานเพราะว่าเห็นเห็นความดาบตลอดเวลากลัวกลัวมากเพราะว่า ตลอดเวลาที่ดับอยู่แล้วก็ทาต่อไปอยากจะหลุพ้นจากทาแบบนี้ที่คือที่ดับตลอดอยู่ความอยากหลุพ้นจากความดับแบบนี้คือขึ้นในจิต ถ้าไม่เห็นแบบนี้ความอยากหลุดพ้นจากสัมสารวาสไม่ไง่ที่จะเกิดถ้าเห็นแบบนี้แล้วก็เข้าใจว่าถ้ามีที่มีความเกิดดับจะมีที่ไม่ดับไม่เกิดไม่ดับอันนี้เปลี่ยนพระนิพพานแล้วก็พิจารณาต่อไป ก็ไปถึงสังขารุปรคา ย, ยานไม่มีความกลัวมีแต่จิตที่ตั้งมั่นอยู่กับความดับของสังขารตอนนั้นถ้าพิจารณาต่อสมาธิพิจารณาต่อไปวิปัสสนาญาณเกิดกล้ามคายานเกิดขึ้น โดยเห็นพระนิพพานเป็นอารมณ์ตอนนั้นก็ใกล้เป็นบุคคลที่เป็นอริยอริ ย, เ ข, ยเข้าใจัหมเข้าใจเข้าใจเียเปล่า <c oughs> อันนี้อันนี้เป็น แาวทางปฏิบัติของสมถะญาณิกและวิปสัสสนาญาณิกผู้ที่อยากจะปิดประตูเข้าสู่พระนิพพานผู้ที่สามารถปิดประตูเข้าสู่พระนิพพานคือสมถะญาณิกและวิปสัสสนาญาณิก แต่ต้องเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เดี๋ยวนี้อาตมาเข้าใจว่าสาธุชนทั้งหลายเข้าใจดีขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้อยากจะเป็นสมถะญาณิกหรือวิปัสสนาญาณิกไม่อยากข้ามโดยไว้น้ำแล้วใช่ไหม ให้งันขอให้โยมทั้งหลายสามารถข้ามทะเลสัมสาระในเรือในชีวิตนี้เธอดดีใจไหมดีใจ อยากจะทำอะไรอีกต่อไปมีคำถามไหมค่ะท่านใดมีคำถามยกมือขึ้นให้สูงๆนะค ะ, ะกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ เมืกีที่ได้ฟังพระธรรมของพระอาจารย์ได้เทศเนี่ยนะเจ้าคะ่ะมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะว่าคนเราเนี่ยจะมีการทํำกรรมดีกรรมไม่ดีหรือกุศลอกุศลเนี่ยในตลอดชีวิตที่ที่อยู่ในแต่ละชาติเนี่ยเจ้าคะ่ะจะมีเหตุอันใดเจ้าคะ่ะที่จะทําให้ผวังในดวงจิตสุดท้ายก่อนที่จะดับแล้วไปจุติที่ใหม่เนี่ย จะเป็นผวังที่เป็นกุศลเนี่ยเจ้าค่ะยุงทั้งหลายก็ได้ทากุศลมาใช่ไหมก็ได้ทำอกุศลมา้ดยใช่ไหมก็เลยเราต้องอาศัยโชคดีและโชคร้ายถ้าเราไม่เตรียมตัวก่อนโยนีอัตมามาอธิบายเพื่อจะเตรียมตัวไม่อย่างนั้น กรรมดีที่ได้ทำมากรรมช่วที่ได้ทำมาอันไหนมีกำลังอันนี้จะปรากฏเดี๋ยวธมาจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวนี้ยังยังสุขภาพแข็งแรงดีมีกำลังมีกำลังกายและใจด้วยมีสติแม้แต่ในช่วงเวลานี้ เมดแต่สุขภาพดีมีกำลังกายเลใจมีสติในเวลากำหนดรู้ลมง่ายไหมไง่ายไหมยากจะค่ะยากจิตไม่อยากอยู่ใช่ไหมเมแเดในเวลานี้ในสภาพในเวลานี้ที่มี มีสุขภาพดีในเวลาที่มีกำลังกายเลใจถ้าเราจะฝึกสามารถทาให้สติมีกำลังมากขึ้นได้แต่ในช่วงเวลานี้เม้แต่ในเวลานี้ไม่ง่ายที่จะกำหนิดรู้โลมไม่งที่จะกำหนด ร, รู้อารมณ์กรรมฐานเวลาใกล้จะตายสุขภาพเสียแล้วไม่มีกำลังกายเลใจยด้วยสติไม่อยู่แล้ว ไปกำหนดรู้อารมณ์ดีๆได้อย่างไรไม่ไงใช่ไหมโดยความตั้งใจของตัวเองทำไม่ไหวแล้วถ้าเราไม่เตรียมตัวก่อนจะตายโดยฝึกจิตของตัวเองโดยปฏิบัติมีอันตรายโยถ้าอารมณ์ดีๆเกิดขึ้นก็โชคดีอารมณ์ชั่วเกิดขึ้นก็ แล้วเต่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราควรพิจารณาให้ดีๆเพื่อจะให้มีเวลาเตรียมตัวก่อนจะตายเพื่อจะสามารถจะเอาใจาใส่หรือสามารถใส่ใจอารมณ์ดีๆก่อนจะตายด้วยจีตนาของตัวเองเราไม่อยากให้อัตมาไม่อยากให้อาศัยชกดีชกร้ายอัตมาอยากให้อาศัยความ กำลังของตัวเองความสามารถของตัวเองที่เกิดขึ้นจากเตรียมตัวก่อนจัดใจเข้าใจใช่ไ้มเจ้าขาดาบ่อกคุณเจ้าขาะนำ้ำมัตการใหหลวงพ่อครับ อผมฟังหลวงพ่อมาตั้งนานผมยังไม่รู้เลยครับว่าหลวงพ่อจําวัดอยู่ที่วัดไหนอะครับเอ๊ะถามอะไรอ๋ออยากอยากทราบว่าหลวงพ่อจําวัดอยู่ที่วัดไหนอะครับออยู่ศูงปฏิบัตินานาชาติอังทองอยู่ในเมืองไทยอาตมาอยู่ในศูงยปฏิบัตินานาชาติอังทองในพม่าอาตมาอยู่วัด ป้าพออ่อแล้วหลวงหลวงหลวงพ่อนี่จะจำวัดอยู่ที่ไหนหนานกว่ากันละครับส่วนใหญ่ที่พมา่าหรือว่าที่อ่างทองในในเวลาจำพรรษาอาตมามาจำพรรษาในประเทศไทยแต<อ>่พรุ่งนี้อาตมาต้องเดินทาง<ป>กับพม่าเดี๋ยว<อ>จะไม่จะไปมีทุระ เดี๋ยวก็จะกลับมาแต่ยังไม่ทราบวันไหนแล้วก็เดือนธันวาคมก็อาตมาต้องไปสอนในประเทศไต้หวันแล้วก็จะกลับมาเมืองไทยครับแ้วถ้าเกิดอย่างนี้พวกผมอยากอยากเรียนพวกอานาปนสติเอกครับจะไปเรียนได้ที่ไหนะครับอ๋อเดี๋ยวนี้ในเวลาที่อาตมาเดินทางไปประเทศพม่าครับผมท่านบุริยานลึกศิษย์ของอาตมา เป็นจะเป็นอาจารย์สอนที่อันทองสูงปฏิบัตินานาชาติถ้าอยากจะปฏิบัติไปเรียนภายใต้ครูบาอาจารย์ที่มีอยู่ข้างๆอขอบคุณครับหลวงพ่อ <c oughs> พระอาจารย์คะคือสิทธิปฏิบัติมาตั้งแต่ปี37นะฮะแต่ว่ายังไม่เห็นลักษณะรูปกลาบเลยเพราะว่าไม่ทราบว่าก็ ใช้อนาปนานสติด้วยนะคะเพราะว่าโยมไม่ได้ปฏิบัติธาตุกรรมฐานตามหลักเพื่อจะสามารถรู้และเห็นรูปกลับที่เกิดดับอย่างรวดเร็วเราต้องปฏิบัติธาตุกรรมฐานที่ปฏิบัติในปัจจุบันนี้บางครั้งเนี่ยให้ไปดูไตลักษ์เลยะคะ่ะหมายถึงว่าให้ดูรูปนามดูว่ารูปทุกอย่างกําหนดรูปกําหนดนาม แล้วก็ดูใตรักเลยปัจจุบันทุกปฏิบัติส่วนใหญ่นะคะของพระวัดป่าที่เข้ามาสอนที่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นมันมันจะไม่เห็นเป็นลักษณะรูปกราบแต่เห็นว่าโอเคมันมีเกิดดับเหมือนโยมเหมือนยไม่เข้าใจการแสดงธรรมของอาตมาเข้าใจค่ะอยากอยากเห็นถ้ายยมอยากจะเห็นรูปกราบโยมต้อง จะเรียนสมาดิแล้วก็ต้องพิจารณาลักษณะธาตุาที่เป็น12ลักษณะไม่อย่างนั้นจะไม่เห็นรูปกลาบแค่มีจำนวนน้อยที่เดียวในเวลาที่จะเรียนอนาบานะาชันที่สีในระหว่างทางนี้เห็นรูปกลาบเดี๋ยวะมาบอกว่าอย่าไปสนใจเดี๋ยวนี้ บุคคลแบบนี้เป็นบุคคลที่ได้พิจารณารูปประมาทในอดีตเดชาตมาแล้วเพราะฉะนั้นเห็นได้อย่างง่ายๆแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปพิจารณาเพราะว่าอารมณ์ของอนาปานาสติคือโลมถ้าสมาธิเกิดขึ้นต้องเปลี่ยนคำหนดรู้แสงถ้าไปพิจารณารูปกลับอนุลเลิล็กไม่สามารถเข้าถึงชานได้เพราะฉะนั้นไม่ให้พิจารณารูปกลับแม้เดก ยังเห็นอยู่ยังไม่ถึงเวลาเพราะฉะนั้นส่วนมากเพื่อจะสามารถเข้าใจและสามารถเห็นรูปกลาบต้องพิจารณาลักษณะธาตุสิลักษณะจนถึงสามารถจะเรียนสมาธิได้แล้วก็จนถึงสามารถแยกออกก้องแสงเป็นรูปกราบ รามนะมามัสการพระอาจารย์นะคะวันนี้มีสองคำถามอยากจะขอเรียนถามค่ะข้อที่1นึ่งคือในในช่วงที่เราทำํำรู้สตินะคะลมหายใจเข้าออกเนะะี่ยค่ะเราสามารถแถมคําว่าพุทธโธเข้าไปด้วยได้ไหม啊คะอย่างเช่นว่าสมมุติหายใจเข้าเราก็พุทหายใจออกโธอันนี้ถือว่าผิดไหมคะ yeah. อตาตมาได้ยิยนคำถามนี้ในวันแรกก็อตาตมาก็ได้ตเดย์โยมอาจจะไม่อยู่ที่นี่บ้างหรือจิตไม่อยู่ในห้องบ้างไม่เป็นไรเดีย๋ยวอตาตมาจะอธิบายอีกในในกรรมฐานศี่สิบอนาบานะก็เป็นกรรมฐานชนิดหนึ่ง แล้วพุทธานุสติก็เป็นกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งอนนาบานาสามารถเข้าสู่ฌานได้แต่พุทธานุสติที่พิจารณาพระพุทธคนที่เป็นพุทโธไม่สามารถเข้าถึงฌานได้สามารถเข้าแค่อุปัชาระสมาดิสมาดิที่ไม่มีกำลังเท่า อัปนาชันสมาดีถ้าโยางปฏิบัติอนาบานาสติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพื่อจะกำหนิรู้เข้ากำนุรู้ลมเข้าลมออกโดยบริการว่าเข้าออกไม่มีคำสอนว่าจะต้องบริการว่าพูดบริการว่าโทรในเวลาหายใจเข้าหายใจออกถ้าโยางไปไปบริการพูดโทรในเวลาหายใจเข้าหายใจออก การบริการพูดโธไปลบ ก, กวนอนาบานะกรรมฐานไม่สามารถใช้ยโยงไปถึงอัปนานชานได้แล้วถ้าปฏิบัติแบบนี้ต่อไปโยมสามารถประสบความสุขสงบไม่มากกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะปฏิบัติพระพุทธคุณถ้าอยากจะปฏิบัติพุทธานุสติก็แค่พิจรารณา คูณของพระพุทธคุณไม่ต้องไปใส่ใจลมเข้าลมออกถ้าอยากจะปฏิบัติอนาบานาสติก็ไม่ต้องไปบริการว่าพูดถูในเวลาหายใจเข้าหายใจออกแค่บริการว่าเข้าในเวลาหายใจเข้าแค่บริการว่าออกในเวลาหายใจออกเข้าใจไหมอาจารย์คะข้อที่สองนะคะกรณีที่เราแผ่เมตตาแล้ว ขึ้นว่าสัพเพสัตตาอะไพวกเนี้ค่ะเราต้องนึกหน้าคนที่เราจะแผ่ให้ด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าระหว่างที่เราสวดเนี่ยเราก็เอ่ยชื่อในิจใจขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเขาจะได้รับกันอย่างเงี้ยค่ะต้องไหมคะต้องต้องอะไรมาอยู่ต้องเอ่ยชื่อคนที่เราจะแผ่เมตตาด้วยไหมคะระหว่างที่เราสวดสัพเพสัตตาค่ะ do we have to oh. do, do we have to announce the name where we want to or whom we want to give the deeds to or or not, or we just imagine their faces and then speak. พูดภาษาไทยอีกสมมติในกรณีที่เราแผ่เมตตาใช่ไหมคะเราอ่ะจะต้องนึกหน้าคนที่เราจะแผ่ให้ด้วยไหมอะคะพระอาจารย์ที่คำคำคำเดียวที่อาตมาไม่เข้าใจนึกนึกถึงชื่อของ บุคคลที่โยมจะเพยใช่มั้ยใช่ค่ะแล้วก็นึกหน้าด้วยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องะสับบีสัตตก็สับบีสัตต์สัตว์ทั้งหลายค่ะสับบีปานาก็เป็นสัตว์ทั้งหลายที่มีการหายใจค่ะเกไม่ต้องไปนึกถึงชายาของบุคคลอ๋อค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตถามอีกข้อหนึ่งนะคะอาจารย์ เวังกจิตที่อาจารย์พระอาจารย์ถามพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยถ้าภาษาไทยคือคือเข้าใจนะคะเพระวังกจิตแต่ว่าเป็นมโนเป็ น, เ ป, นเป็นทาวารจะเป็นจิตที่เป็นทาวารประตูตอนนี้ถ้าเป็นเทียบกับภาษาอาังกฤษมันจิตาภาษาไทยนะคะจิตใต้สํานึกสับคอนเชียสหรือเปล่าคะจิตใต้ใต้สํานึกก็คือสับคอนเชียสอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนละตัวใ ช, ใช่ไหมคะตามคำสั่งสอนของ พ, พระพุทธเจ้าไม่มี unconscious mind แ oh, <okay. S 1> ม้มี unconscious mind เมืในเวลาที่เรานอนหลับดีนอนหลับสนิทใช่ไหมนอนหลับสนิทจิตนี้คนเรามนุษย์เราคนอยู่ในโลกอาจจะเข้าใจผิดว่าในเวลาที่เรานอนหลับสนิทไม่รู้อะไรอาจจะเป็นอาจจะ อาจจะ บ, บอกได้ว่า unconscious ไม่มีจิตที่ไม่รู้อารมณ์ใดๆเมื่อ mm ่ด hmm. ในเวลาที่เรานอนหลับสนิทจิตนี้ก็มีอารมณ์เหมือนกันไม่ใช่แค่อารมณ์ปัจจุบันอารมณ์อดีต ท, ที่ปรากฏใกล้จะตายเป็นอารมณ์ของอหวาง อย่างนั้นพวังคจิตในความฝันเนี่ยมันก็เป็นอันเดียวกันไม่ใช่ในในฝั น, นฝันได้เกิดขึ้นได้อย่างไรน่าสนใจใ <c oughs> เป็นพวังคจ <c oughs> ถ้าเรานอนหลับสนิทไม่ฝันในเวลาขึ้นตื่นขึ้นหลับตอนนั้นฝันได้เ <c oughs> ข้าใจไหม อตอนที่นอนหลับดีนอนหลับสนิทไม่ฝันอยู่ถ้าตื่นๆ น, นอนนอนครึงๆ <c oughs> ครึงหลับครึงตื่นครึงตื่นใช่ไหมตอนนั้นเราฝันได้ดีนี้อยากทราบว่าภวังกจิตเนี่ยมันจะไปซาะไปแสดงอยู่ในฝันยังไงคะ หมายถึงว่ามันจะสร้างความฝันได้ยังไงในพวังกจิตเพราะว่าพวังก็จิตฝันไม่ได้อยู่เพราะว่าถ้านอนหลับสนิทเราเข้าเบะวังเข้าเพลาวังเต็มที่เข้าถ้าอยู่ในลงเพลาวังหมายความว่าลงเพลาวังถ้าลงเพลาวังเต็มที่เรานอนหลับสนิท เพราะวังก็จิตนั้นรู้แค่อารมณ์อดีตไม่สามารถรู้อารมณ์ปัจจุบนันเพราะฉะนั้นฝันไม่ได้ ก, กราบในวันสการท่านอาจารย์เค่ะอยากจะเรียนถามว่าการที่เราปฏิบัติเนี่ยจนกระทั่งเห็นรูปกราบ แล้วก็ต่อยอดไปจนทั้งถึงย้อนกลับไปดูให้เห็นชาติภพและก็กฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นเป็นพรีลิคุสิตสําหรับการที่จะบรรลุอริยบุคคลแม่เจ้าคะสมมุติยังไม่ต้องถึงนิพพานเอาแค่บรรลเุเป็นเงื่อนไขที่เดี๋ยวยมเมื่ค่อยได้ยินพูดดังๆหน่อยเป็นเป็นเงื่อนไขสําหรับการที่จะมีความก้าวหน้าถึงขั้นที่จะบรรลุ อริยะบุคคลในขั้นต้นไหมเจ้าคะใช่ท่านอาจารย์พูดถึงนิพพานแต่ว่าอาริยะบุคคลเบื้องต้นอย่างเช่นสมมุติพระโสดาบันเนี่ยยังไม่ได้ถึงนิพพานต้องกลับมาเกิดอีกแต่ว่าในธรรมะที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายมาเนี่ยพูดถึงการย้อนกลับไปดูชาติภพที่เกิดมาหลังจากที่ต้องเห็นรูปกลับแล้วอันนี้เป็นเป็นเงื่อนไขเป็นพรีลิคสิทธ ที่สำคัญหรือเปล่าเจ้าคะหมายถึงว่าถ้าคนไม่ผ่านตรงนี้ก็ไม่มีวันที่จะได้บรรลุอรอยิยบุคคลหรือเปล่าเจ้าคะตามคำสั่งส่งกระพุทธเจ้าเรา We wonder in the rounds of rebirth จะว่าอย่างไง We wonder in the rounds of rebirth เราท่องเที่ยวในสัมสารวาัตยังไม่มีสิ้นสุเพราะว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทอันนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเธอและต ถ, ถาคุดเือและฉันไม่สามารถหลุดพ้นจากสัมสารวาัตเพราะว่าไม่รู้ไม่เห็นปฏิจจสมุปบาท ถ้าอยากจะลูกพ้นจากสัมสารวัติอันนี้สำคัญมากที่จะรู้และเห็นปฏิจจสมุปบาทที่เป็นกรมและผลของกรมโดย by referring by quoting the words of the Buddha จะว่ายังไง by quoting อ้างถึง <By> อ้างถึงแล้วเปล่าเจ้าคะอ้างถึงคำสั่งสอน อ, อ้างถึงอธิาอาถอาถอ้างถึงคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมามกีนี่ยที่บอัตถกดดาอธิบายไว้ถ้าไม่ไม่รู้ไม่เห็นบัณฑิตาสมุปบาทแม้จะจะรู้พ้นจากสาสารวัตในฝันก็ไม่ได้ สำคัญมากโยต้องเห็นรูปเล็ดนำที่เป็นทุกขศาสตร์ต้องรู้และเห็นสมุทัยศสตร์ที่เป็นปฏิจจสมุปบาทกามเล่ผลของกรรมเพราะว่าอารมณ์ของวิปัสสนาคือทุกขศาสตร์รูปเล็ดนำสมุทัยศสตร์กามเล่ผลของกรรมที่เป็นปฏิจจสมุปบาทถ้ายังไม่รู้ยังไม่เห็นรูปเล็ดนำเหตุเล่ผลยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติ วิปัสสนาเพราะฉะนั้นไม่มีวันที่จะหลุลดพ้นจากสัมสารวาได้คำสั่งสงกรพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ปรากฏชาติจริงคำบรรดิบไวที่ปรากฏในอัธกถาก็ชาติจริงเมเดนฟันผู้ที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทหลุลดพ้นจากสัมสารวาได้เมเด น, นัฝันเราฝันได้ใช่ไหมสิ่งที่เราเคยเห็นสามารฝัน พระนิพพานได้อย่างไรไม่เคยเห็นใช่ไหมก็เลยไม่สามารถฝันไดขข้ขออนุญาตนะเจ้าค่ะคือตรงๆที่ท่านอธิบายมาเนี่ยเข้าใจนะเจ้าคะ่ะแต่ว่าเหมือนกับไ ม, ไม่ได้เรียนอภิธรรมนะเจ้าคะ่ะปฏิบัติอย่างเดียวปฏิจจสมุิบาทเนี่ยเข้าใจแต่ว่ามันมีทางอื่นที่จะเห็นโดยไม่ได้เป็นการ ระลึกย้อนไปถึงอดีตชาติหรือเปล่าเจ้าคะตรงนี้ที่ที่ไม่ค่อยได้ยินที่อื่นพูดกันนะเจ้าคะ่ะแล้วเราจะมีสักกี่คนที่สามารถจะระลึกย้อนไปถึงอดีตชาติได้จริงๆเจ้าคะเพราะว่าอาตมาก็ได้อธิบายเกสาธุชนทั้งหลายในปัจจุบนัน มีแนวทางปฏิบัติตามครูบาอาจารย์มากกว่าเมตเดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ต้องพิจารณาอดีตปัจจุบันอนาคตภายในภายนอกใกล้ไกลประนิตแล้วก็หยาบ แล้วก <ind ic ata> ็อะไรอีกอดีตนาะจุปัอิจัาวะบหิวาอลาริกนวาสุขุมานวาฮินานวาปนตวาดูเรวาสันติกเวะทั้งหมด1ิบสี่อ past อ ai, ai, d ด t present ปัจจุบัน future อนาคตภายใน internal ภายใน external ภายนอก allarika หยาบสุ u ุ a ะละเอียดฮีนาเหลวปณีดาปณีดดุร ฟาใกล้แล้วก็สันติกาใกล้ทั้งหมดสิบอิทนี้เป็นที่พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ต้องพิจรารณาสิบอิทสิบอิทจะว่าอย่างไรสิบอข้อสิบสิบเอลักษณะแต่ในปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์บอกว่า ต้องพิจารณาอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันอาตมาจะให้ตัวอย่างดี๋ยวนี้อาตมากําลังแสดงธรรมใช่ไหมความอยากอยากจะแสดงความอยากแสดงธรรมเกิดในจิตของอาตมาเพราะฉะนั้นด้วยความอยากนี้อาตมาพูดใช่ไหมอาตมาที่ใบความอยากที่เกิดขึ้นนั้น ปัจจุบันหรือนาคตถ้าอาตมาพิจารณาความอยากที่เกิดขึ้นนั้นอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ปัจจุบันหรือารมณ์อนาคตอารมณ์ปัจจุบันหรือารมณ์อดีตอดีตไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันไม่ได้แต่ผู้ที่เห็นความเกิดมีมี three stages เกิดตั้งดับใช่ไหมเกิดแล้วก็ยังไม่ดับเนะมีช่วงเวลาที่ตั้งอยู่แล้วก็ดับผู้ที่เห็นความเกิดความตั้งความดับแม้แต่อดีตแม้แต่ปัจจุบันภายในภายนอกรูปนามทั้งหมดมีสามลักษณะแบบนี้ ความเกิดความตั้งความดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้บุคคลที่เห็นลักษณะขณะแบบนี้เป็นบุคคลที่เห็นขนะปัจจุบันขนะปัจจุบันอ ด, ดีตก็มีปัจจุบันก็มีอนาคตก็มีภายในก็เหมือนกันภายนอกก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น ที่พระ ส, มสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่องไว้นั้นไม่ใช่อารมณ์ปัจจุบันหมายถึงว่าขณะปัจจุบันที่มีความดับความตั้งความความเกิดความตั้งความดับเพราะฉะนั้นบุคคลที่เห็นความเกิดความตั้งความดับแม้แต่อารมณ์อดีตแม้แต่อารมณ์อนาคตแม้แต่อารมณ์ปัจจุบันแม้แต่ภายในภายนอกไกลใกล้ยาประณีตทั้งหมด ก็มีขณะปัจจุบันพระพุทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงอันนี้เ่แเปลว่าอารมณ์ปัจจุบันถ้าเราพิจารณาจิตที่เกิดขึ้นไม่ใช่อารมณ์ปัจจุบันแล้วอันนี้ก็เป็นอารมณ์อดีตใช่ไหมแต่ถ้าเห็นความเกิดความตั้งความดับอันนี้เป็น Momentary Present โอเค อันนี้ขณะปัจจุบันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากข้เราเห็นอันนี้ไม่ได้หมายความว่าอารมณ์ปัจจุบันถ้าเป็นรูปอารมณ์ปัจจุบันถ้าพูดถึงอารมณ์ปัจจุบันพูดได้แต่ถ้านำอารมณ์ปัจจุบันไม่ได้น้อยที่สุดก็เป็นอารมณ์อ ด, ดีตใกล้ที่สุดไม่ใช่อารมณ์ปัจจุบันไม่อธิบายแบบนี้กันก็เลยโยไม่คยได้เย็น ยูนีได้เย็นใช่ไหมโชคด <laughs> ทีท่าน ข, ข้อสุดท้ายนะเจ้าคะ่ะ <c oughs> เออก็รู้สึกประทับใจที่ท่านอาจารย์สอนไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาจากพระสูตรหรือคำพระคำพีแต่เข้าใจว่ามาจากประสบการณ์ตรงของท่านอาจารย์รวมทั้งมีตัวอย่างของลูกศิษย์ที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาเมตตาเล่าให้พวกเราฟัง คำถามข้อสุดท้ายเนี่ยต้องกราบขอขมาถ้าหากว่าไม่สมควรนะเจ้าคะ่ะท่านอาจารย์ก็ไม่ต้องตอบนะเจ้าคะ่ะไม่ทราบว่าท่านอาจารย์แตต้องต้องกราบขออโหสิกรรมล่วงหน้านะเจ้าคะ่ะว่าจะเป็นการละลาบละลวงหรือเปล่าว่าถ้าท่านอาจารย์จะกรุณาเล่าประวัติของท่านอาจารย์สักเล็กน้อยในส่วนตัวนะเจ้าคะ่ะในส่วนที่เป็นคารวาสก่อนที่จะมาบวชให้พวกเราพอที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจเป็น Inspiration ไม่ทราบว่าจะสมควรหรือเปล่าเชียวค่ะอาตมาไม่เข้าใจด้วย <laughs> ให้เล่าประวัติพระอาจารย์นะคะก่อนมา <c oughs> เอเอไม่อยากอธิบายเหมือนกัน <laughs> อาตมาเคยอธิบายในระหว่างที่อาตมาแสดงทารในต่างชาติในต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษ ถ้าอาตมาต้องอธิบายด้วยภาษาไทยอาจจะไม่ง่ายบางทีแต่ไม่มีจีตนาที่อธิบายเพราะว่ามีมีคำถามเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่โดยตรงโดยอ้อมก็เลยอาตมาก็ให้อธิบายทำไมสันเวทเกิดขึ้นก็ได้อธิบายถ้าโยมอยากจะทราบโยม อยากให้ยุมฟังธามที่อาตมาแสดงด้วยภาษาไทยในหลายๆประเทศแต่ที่ไหนอาตมาจำไม่ได้แล้ว <c oughs> แต่ในตินเทชาวโลกมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยหนังสือของอาตมาก็ได้ได้พูดถึงทำไมอาตมา อยู่ชีวิตพระพิสุทในหนังสือเต็มที่ชาวมีนิดเดียวมีนิดหน่ง